ร, ราวของการค้นพบรอยพระพุทธบาทแล้วก็รอยพระหัสนี้นะคะเกิดขึ้นที่วัดเขากระปุก ค, ค่ะตําบลเขากระปุกอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยผู้ค้นพบก็คือหลวงพ่อสุจริตถาวันสุโธค่ะท่านเป็นพระปะ่านักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านที่วัดที่ท่านจําพรรษานี่เป็นวัดเล็กๆยากจนอยู่ในป่าบริเวณวัดก็ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาถึง5ทิวด้วยกันแต่ละที มีถ้ำอยู่ภายในทั้งหมดรวมทั้งสิ้นก้าถ้ำทั้งอย่างแวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่สมุนไพรหายากแล้วก็สัตว์ป่านาน า, นานชนิดนะคะทั้งลิงชนีข้างนกป่าดูสภาพแวดล้อมของสถานที่แล้วก็เหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะ สำหรับประวัติส่วนตัวของหลวงพ่อสุจริตก่อนที่ท่านจะมาบวชอยู่ที่วัดเขากระปุกจนกระทั่งได้ค้นพบรอยพระพุทธบาทแล้วก็รอยพระหัสนั้นน่าสนใจมากบีเองก็เลยขออนุญาตนําเรื่องราวปรากฏการ์มาสจัย์ของหลวงพ่อสุจริตผู้ค้นพบรอยพระพุทธบาทมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ เดิมทีบ้านของหลวงพ่อนี่อยู่ที่ตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะพ่อแม่ก็มีอาชีพทําประมงแล้วก็ทํานาท่านมีพี่น้องทั้งผู้ชายทั้งหมดนี่เป็นผู้ชายล้วนนะคะ6คนโดยหลวงพ่อนี่มีนิสัยชื่นชอบในการทําบุญตั้งแต่ยังเด็กเพราะว่าเคยติดตามแม่ไปวัดแล้วก็เคยไปอยู่เป็นลูกศิษย์พระทุกครั้งเวลาที่พี่ชายทั้ง5้าคนมีอายุครบบวชเรียนค่ะการที่ชีวิตวนเวียนอยู่กับวัดเช่นนี้ ก็เลยทำให้ท่านเนี่ยเกิดความซาบซึ้งใจเป็นคุณประโยชน์แห่งพระพุทธศาสนาจนตั้งความหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งท่านจะต้องบวชไม่สึกตลอดชีวิตก่อนที่หลวงพ่อจะสละทางโลกมาบวชเป็นพระป่านั้นท่านได้เสียสละอย่างใหญ่หลวงทั้งลูกภรรยาทรัพย์สมบัติ หน้าที่การงานในตำแหน่งใหญ่แล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์ที่พรั่งพร้อมมาสแสวงหาที่สงบปฏิบัติธรรมโดยเลือกเอาวัดเขากระปุกเป็นที่บวชจำพรรษานะคะทั้งที่สมัยนั้น การคมนาคมที่เขากระปุกก็ไม่เจริญกันดานมากๆถนนหนทางก็เป็นลูกรงังเป็นหลุมเป็นบอ่อครุขระกว่าจะเดินทางมาถึงวัดก็ต้องท่ามลำห้วยลำทานแสนลำบากชาวบ้านก็ยากจนซ้ำร้ายโจนผู้ร้ายเนี่ยยังคงชุกชุมและก็ยังเป็นที่หลบซ่อนของบรรดามือปืนเมืองเพชรซึ่งสมัยนั้นขึ้นชื่อมากๆค่ะ แรกแรกที่หลวงพ่อไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยทุกคืนจะต้องได้ยินเสียงปืนดังเป็นชุดๆมีการฆ่ากันตายยิงกันตายเป็นว่าเล่นอีกทั้งชาวบ้านก็ล้มเจ็บเป็นไข้ป่าไม่เว้นแต่ละวันสถานที่ก็ห่างไกลหมอแล้วก็โรงพยาบาลคงมีแค่สถานีอนามัยเล็กๆเท่านั้นนะคะการบวชครั้งนี้สมดังปณิธานที่หลวงพ่อเคยตั้งไว ถ้าจะบวชก็ปรารถนาที่จะได้ไปปฏิบัติอยู่ตามเขาตามถ้ำที่ห่างไกลความเจริญที่ใดมีความกันดานลำบากที่สุดท่านอยากจะไปอยู่ที่นั่นเพื่อโปรดสัตว์แล้วก็ช่วยนำอระยยธรรมเข้าไปสร้างวัดให้เจริญและจะนำธรรมะการปฏิบัติตามแนวทางแห่งองค์สมเด็จพระาศาสดาไปเผยแพร่ เมื่อได้อ่านชีวประวัติของหลวงพ่อแล้วนะคะก็จะเห็นว่าชีวิตของท่านนี่มีแง่มุมที่น่าสนใจค่ะทั้งยังมีเรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์หลายเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตก่อนที่ท่านจะออกบวชแล้วก็หลังบวชก็เลยขออนุญาตเล่าเป็นตอนๆ ต, ตามคำบอกเล่าของหลวงพ่อคงจะน่าสนใจกว่านะคะโดยจะเริ่มกันที่ประสบการณ์จากสมาธิเมื่อครั้งเป็นพราม หลวงพ่อบอกว่าครังที่ยังไม่บวชเมื่ออายุ30กว่าหลวงพ่อก็ทํางานไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วก็พยายามศึกษาหลักปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหรือว่าเกจิอาจารย์ต่างๆที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบโดยที่หลวงพ่อได้ถือศีล8ดเป็นพรามเช้าก็แต่งตัวธรรมดาไปทํางานพอถึงบ้านก็นุ่งขาวห่มขาวผมไม่ตัดหนวดก็ไม่โกนคิดว่าจะบวชเมื่อไหร่ก็ต้องตัดวันนั้น ก็ทำตัวเป็นแบบฤาษีจนกระทั่งคนเขาบอกว่าหลวงพ่อนี่เป็นบ้าหลวงพ่อก็ไม่ได้ใส่ใจเมื่อตอนแรกที่นั่งสมาธิหลวงพ่อเกิดอุค ข, ขหะนิมิตนะคะก็คือเห็นแสงสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําสีเหลืองสีแก้วผลึกเห็นนางฟ้าเทวดาเห็นพระพุทธรูปจะเห็นนิมิตจากการนั่งสมาธิในรูปต่างๆมากมายจากการปฏิบัติสมาธิทําให้ท่านเห็นตัวเองในชาติที่แล้วเป็นหลวงตาแก่ๆห่มจีวรสีกรด โดยในขณะที่เป็นพราม์หลวงพ่อก็ยังเคยนิมิตฝันไปแน่ว่ามีพระสมรูปเนี่ยนั่งเรือไปหาหลวงพ่อที่บ้านจําได้ว่ามีหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนอีกรูปนึงก็คือหลวงพ่อวัดเขาตะคราวจังหวัดเพชรบุรีมาอีกครั้งหนึ่งก็นิมิตฝันเห็นหลวงปู่มั่นอีกค่ะครั้งนี้ท่านมาบอกหลักปฏิบัติธรรมในฝันว่าการที่จะบรรลุมรรคผลนั้นต้องละจากกิเลสตัณหาอุปทานพอตื่นจากฝันก็มาคิดได้ว่าเออจริง คือคนเราถ้าจาละกิเลสตัณหาแล้วก็อุปทานได้มันก็คือการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่ยึดติดนั่นเองช่วงเป็นพรามหลวงพ่อจะเคร่งในการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาทุกวัน จะฉันมือเดียวนอนน้อยทำความเพียรแก่กล้ามากตอนตีสองทุกวันหลวงพ่อต้องตื่นมานั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมสลับกันไปมาเช้ามืดวันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อเดินจงกรมบนสะพานก็ได้เห็นพระพุทธองค์รู้โดยจิตเดินนำหน้าอยู่รูปร่างสูงใหญ่มากสูงกว่าคนธรรมดาท่านห่มจีวรแบกกลดแล้วก็ถือตละลปรท่านจะมาเดินนาหน้าทุกวันเป็นเดือน เวลาเดินจงกรมหลวงพ่อจะลืมตามองพื้นที่หลวงพ่อมองเห็นพระพุทธองค์นั้นเป็นการเห็นโดยจิตอันเป็นสมาธิเหมือนว่าท่านมาโปรดสอนให้เดินตามให้ถูกหรือว่ามาแสดงให้รู้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีจริงนะมีอ่าที่เพียรปฏิบัติมาหนะดีแล้วจงเดินตามรอยเท้าก้าวตามรอยบาทของท่าน ปรากฏการ์มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นช่วงที่หลวงพ่อเป็นพรามนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะหลังจากที่หลวงพ่อได้บวชเป็นพระแล้วท่านก็ได้พบสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็ปฏิหาริย์อีกมากมายภายในอาณาบริเวณวัดเขากระปุกแห่งนี้ค่ะวันที่หลวงพ่อมาดูที่บวชที่นี่พอตกกลางคืนหลวงพ่อมองขึ้นไปบนภูเขาเนี่ย เห็นแสงสว่างจ้าไปทั่วบริเวณเหมือนเทพพยายดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธ์เข้ามาต้อนรับหลังจากเห็นแสงจ้าก็เท่าสมาธิตรวจดูแล้วก็ติดต่อเทวดาเพื่อถามว่าบริเวณทิวเขาทั้งห้านี้เนี่ยมีเทพองค์ใดเป็นใหญ่แล้วยินดีต้อนรับเราหรือไม่ถ้าเราจะมาบวชที่นี่ หลวงพ่อก็เห็นองค์เทพผู้เป็นผู้หญิงเนี่ยสวยเลยล่ะค่ะท่านบอกว่าท่านคือเจ้าแม่สุขันธมาศเป็นเจ้าที่นี่ที่เป็นใหญ่บริเวณนี้ทั้งหมดและท่านก็ยินดีที่หลวงพ่อจะมาบวชอยู่ที่นี่เดิมทีที่วัดเขากระดปุกเนี่ยเคยมีพระมาบวชแล้วก็มาทุดงอยู่หลายรูปแต่ก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลกลใดเนี่ยค่ะที่ทําให้อยู่ไม่ได้บางรูปก็เจ็บป่วยตายแต่ว่าเมื่อหลวงพ่อมาบวชท่านก็ต้องกําหนดจิตหาวิธีแก้อาถรรพ์ ที่บริเวณนี้อาถรรพ์ที่ต้องแก้เพราะว่าภูเขาทั้งห้าลูกเนี่ยเป็นภูเขาแห่งเทพหลายระดับชั้นทั้งรุกขะเทวดานางตะเคียนกินนอนคนทันพญานาคเทพกับมนุษย์จะมีความเป็นอยู่ต่างกัน ท่านจะชอบความสงบไม่ชอบให้มนุษย์รุกล้ำเข้าไปในแดนของท่านใครเข้ามาวุ่นวายท่านก็จะบันดาลให้เกิดอาเพศต่างๆหลวงพ่อมาอยู่ด้วยก็เลยทำการแบ่งเขตเทพและสงฆ์โดยตัดถนนตั้งแต่หัวเขายันท้ายเขากุฏิพระกุฏิชีจะไม่สร้างเข้าไปในเขตเทพและการจะไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในถ้หรือในบริเวณที่เทพสถิตก็ต้องขออนุญาตด้วยนี่แหละนะคะหลวงพ่อถึงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ แต่ก็มีในพรรษาแรกที่บวชนะหลวงพ่อก็ป่วยจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าไข้ป่าแต่ก็ยังดีนะคะที่หลวงพ่อบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยไว้ได้หลวงพ่อสุดจริตมีความเคารพเลื่อมใสในองค์หลวงปู่เทพโลกอุดรมากซึ่งเรื่องราวของพระภิกษุรูปนี้ เป็นที่ถกเถียงกันมาช้านานว่ามีตัวตนจริงหรือไม่โดยบีอ่านเรื่องราวของผู้เขียนเรื่องนี้นะคะที่ท่านบอกว่าติดตามเรื่องของหลวงพ่อมานานแล้วเพราะว่ารู้สึกสนใจในความเป็นผู้มีอภิน ญ, ญาริษแฝงไว้ด้วยความลี้ลับของท่านบ้างก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ในป่าที่สอนวิปัสสนากรรมฐานแก่พระธุดงค์หลายๆรูปจนได้สมาธิขั้นสูงบ้างก็บอกว่าท่านเป็นพระอมตะไม่มีวันตาย และผู้ที่พบเจ อ, จ ะ, อจะเห็นท่านในรูปพระหนุ่มแต่ว่ามีผมหงอกนะหรือว่าเห็นในรูปของหลวงปู่แก่ๆไปเลยก็มีซึ่งผู้ที่มีบุญบารมีมากๆเท่านั้นจะได้พบแล้วก็จากประสบการณ์ของผู้ที่เคยพบเห็นหลวงปู่เทพโลกอุดร น, นั้นบางคนบอกค่ะว่ามองเห็นด้วยตาเนื้อรูปมีรูปร่างมีตัวตนที่สัมผัสได้แต่ว่าสาหรับหลวงพ่อสุดจริตแล้วท่านเห็นในฌานค่ะคือเห็นในกระแสจิต หลวงพ่อบวชพรรษาแรกก็เจ็บเป็นไข้าปากเมื่อก่อนระบาดมากใครมานี่จะต้องเป็นหมดพอเป็นหลายๆวันเข้าก็ฉีดยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นหลวงพ่อก็เลยสลบไปวันนึงกับคืนนึงตอนสลบนี่แหละหลวงพ่อเห็นพระชารารูปหนึ่งถือไม้เท้าเดินมาตามถนนหน้าวัดเข้ามาหาหลวงพ่อและบอกว่าท่านจะมาช่วยรักษาเห็นท่านและจําได้เลยเพราะว่ามีรูปท่านที่บนกุฏิหลวงปู่เทพโลกอุดรเนี่ย มักจะไปช่วยพระธูดงตามป่าเวลาเกิดเจ็บป่วยเกิดทุกขเวทนาแล้วจะเห็นท่านมาปรากฏร่างเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ออกธูดงตามป่าตามเขานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อกล่าวไว้ในอีกตอนหนึ่งนะคะรอยพระหัตถ์ในสถานที่แห่งเดียวกันนั้นนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เพราะว่าการค้นพบสั ญ, ญลักษณ์อันเป็นมงคลทั้งสองสิ่งเนียถือว่าเป็นเครื่องทํานายถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะคะว่าต่อไปในภายหน้าสถานที่นี้จะเป็นแหล่งเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาและก็จะมีความรุ่งเรืองด้านพุทธธรรมการเกิดขึ้นของรอยพระพุทธบาทแล้วก็รอยพระหัตถ์ที่วัดเขากระปุกนี้เป็นการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะไม่มีใครแกล้งประดิษฐ์ขึ้นเหมือนเป็นสิ่งเตือนใจสาธุชนทั่วไปค่ะว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมคําสั่งสอนไม่มีอยู่จริงโดยหลวงพ่อได้เล่าถึงนิมิตก่อนที่จะพบรอยพระพุทธบาทนะคะว่าในคืนวันนึงของพรรษาแรกหลังจากที่หลวงพ่อได้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิ โดยเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่องคฌานจากนั้นก็พิจารณาอุปจารบารมีที่เคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติก็ดีชาตินี้ก็ได้ตลอดทั้งคุณแห่งเทพพยายดาผู้ทรงคุณที่เคยแวดล้อมปกปักรักษาแล้วก็เกิดอุคหานิมิตแสงสว่างเจิดจ้าแล้วก็ในแสงสว่างนั้น มีภาพมนดบคล้ายกับมนดบครอบรอยพระพุทธบาทสละบุรีมาปรากฏในชานนะคะเมื่อหลวงพ่อเห็นแบบนั้นก็พิจารณาดูค่ะว่าสถานที่นี้คงจะมีรอยพระพุทธบาทเป็นแน่เพราะว่าเคยมีพระปฏิบัติแก่กล้าอีกรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อจ้วนอยู่วัดเข่าลูกช้างเคยมานั่งสมาธิที่นี่ท่านก็บอกว่าที่นี่เนี่ยมีรอยพระพุทธบาทนะแต่ว่าเขายังไม่เปิดให้เห็น พอรุ่งเช้าหลวงพ่อก็เลยชวนญาติโยมสี่คนขึ้นไปหาก็พบตรงที่นิมิตเห็นพอดีแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็เลยพากันเดินหากันทั้งภูเขาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นรอยนี้คือรอยพระพุทธบาทในนิมิตแน่นอน ก่อนหน้าที่จะเกิดนิมิตก็เคยมีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังเถอะว่าเคยมีนายพรานมาล่าสัตว์แล้วก็พบรอยพระพุทธบาทแต่ว่าพอตามคนมาดูกลับหาไม่เจอค่ะลักษณะของรอยพระพุทธบาทที่ผู้เขียนเรื่องนี้ได้บันทึกไว้แล้วก็ได้ไปเห็นแล้วก็ถ่ายภาพมานั้นนะคะก็มีลักษณะเหมือนรอยเท้าคนขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีความยาว183เซนติเมตรมีความกว้าง 87เซนติเมตรซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่สวยงามและก็สมบูรณ์น่ากราบไหว้เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณแห่งองค์สมเด็จพระศ า, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งโดยปัจจุบันนะคะทางวัดได้สร้างหลังคาสังกษีคลุมไว้หากมีปัจจัยพร้อมหลวงพ่อก็จะสร้างมนดบครอบตามที่เห็นในนิมิตค่ะหลังจากที่พบรอยพระพุทธบาทได้3ปีก็มีการค้นพบรอยพระหัตโดยบังเอิญอีกครั้ง โดยครั้งนั้นเนี่ยนายอำเภอท่ายางก็คือนายสุนทรจัตุชัยได้ทําพิธีเปิดรอยพระพุทธบาทก็เห็นนะคะว่าสถานที่วัดเนี่ยมีถ้ำและก็ธรรมชาติสวยงามเหมาะในการพัฒนาให้เป็นแหล่งธรรมชาติแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวจึงบอกหลวงพ่อนี่ให้เกณฑ์ชาวบ้านในการพัฒนาถ้ำแล้วก็สถานที่ให้สวยงามเป็นระเบียบนะคะเพราะว่าขณะนั้นบริเวณวัดแล้วก็ถ้าบนภูเขายังเป็นป่ารกทางวัดก็นําโดยหลวงพ่อพระเนนชี และก็ชาวบ้านนาโดยผู้ใหญ่นาคก็ได้มาร่วมมือกันทำความสะอาดภายในถ้าทั้ง9ก้าโดยเริ่มจากถ้าพระถ้าสบายถ้านมสาวถ้าปู่เต่าถ้าหอยสังถ้ําระคางถ้าทรายเฉพาะที่ถ้านมสาวนี้ก็จะมีหินวางอยู่ระเกะระกะตามพื้นถ้าผู้ใหญ่นาคแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเก็บไปแอบตามซอกถ้าค่ะ ขณะที่ผู้ใหญ่นาคคลิกก้อนหินก้อนหนึ่งก็เห็นรอยประหลาดคล้ายกับรอยมือคนขนาดใหญ่มีนิ้วมือเหมือนใครเอามือมาวางกดลงไปทุกคนในที่นั้นก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นรอยพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนะคะตัวผู้ใหญ่นาคเองซึ่งเป็นผู้ค้นพบคนแรกแล้วก็ได้เอาก้อนหินก้อนนั้นไปบ้านแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดค่ะไม่นานก็รีบเอามาคืนให้หลวงพ่อเก็บรักษาไว้จนถึงปัจจุบันนี้ เรื่องราวลี้ลับในอภินิหารบุญญาบารมีของหลวงพ่อยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะหลวงพ่อยังเล่าถึงความลึกลับของถ้ำต่างๆทั้งเก้าถ้ำว่าทุกถ้ำเนี่ยมีสมบัติของคนโบราณฝังซ่อนอยู่ท่านเคยกําหนดจิต ด, ดูพบว่าสมบัติเหล่านี้เนี่ยมีเจ้าของแล้วก็เทพคอยเฝ้าอยู่ด้วยถ้าใครไปแตะต้องเนี่ยไม่มีทางแน่นอนนอกจากว่าเขาจะให้เองนะคะยังภายในถ้าพระ ข้างๆถ้ำเนี่ยจะมีช่องทะลุลึกลงไปในภูเขาแล้วก็เป็นทางโคดเคี้ยวหลวงพ่อบอกว่านั่นคือช่องทางลงของพญานาคที่ท่านเคยเห็นในนิมิตเป็นไฟพ้นออกจากปากช่องนี้อาจจากช่องนี้เนี่ยสูงขึ้นฟ้าราวส0วาข้างในมีสมบัติมากมายที่พญานาคเฝ้าไว้นอกจากบริเวณ ร, บรอบๆสถานที่นี้ในอดีตหลายพันปีมาแล้วเคยเป็นทะเลมาก่อน แล้วก็ตรงบริเวณหน้าวัดที่1มีเรือสำเภาแบบโบราณแบบเรือรบโบราณ น, นี่นะคะมาล่มจมอยู่ใต้ท้องทะเลภาพจากสมาธินิมิตก็เลยทำให้หลวงพ่อเนี่ยบรรยายลักษณะเรือสำเภานันนได้โดยละเอียดค่ะหลวงพ่อยังได้เล่าถึงประสบการณ์จากการนั่งสมาธิในถ้ำให้ฟังด้วยนะคะว่า ท่านเองก็เคยชวนญาติโยมที่มาทำบุญในวัดในวันพระเนี่ยไปนั่งสมาธิในถ้ำไปกันหลายคนพอสวดมนต์แล้วก็เริ่มนั่งสมาธิจน จ, นจิตนิ่งเกิดความว่างแล้วกายทิพย์ของหลวงพ่อก็ได้ถอดออกมาเห็นเป็นรูปร่างใสๆลอยขึ้นไปผ่านก้อนเมฆไปเรื่อยๆจนถึงสถานที่ที่หนึ่งที่สวยงามมากประดับประดาด้วยทองคาเต็มไปหมดกลางห้องนี่มีโต๊ะหมู่บูชาเป็นเครื่องทองเช่นกัน จิตของหลวงพ่อก็เลยได้ถามขึ้นว่าเอ๊ที่นี่ที่ไหนกันก็มีเสียงตอบรับนะฮะว่าที่นี่คือสถานที่ปฏิบัติสมาธิของพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วซึ่งถ้าใครมีบุญถึงจะได้ไปเฝ้าหลวงพ่อก็ถอดกายที่ไปครั้งนั้นเหมือนว่าไปนานมากไปเห็นสิ่งสวยงามต่างๆแต่พอนึกได้ว่าคงจะไปนานเกินไปแล้วก็เลยให้นึกอยากกลับเพียงแค่นึกเท่านั้นะ่ะหลวงพ่อก็รู้สึกตัวจากสมาธิแล้วก็นาเรื่องที่ประสบมาเล่าให้ญาติโยมฟังด้วย จากการที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้เดินทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดเขากระปุกนะคะแล้วก็ได้ฟังหลวงพ่อเล่าเรื่องราวอันเกิดจากบุญญาบารมีจากการบำเพ็ญธรรมของท่านแล้วรู้สึกอิ่มใจแล้วก็ตื้นตันใจที่พระพุทธศาสนาของเราเนี่ย ยังมีพระปฏิบัติสุปฏิปันโนที่สมควรแก่การกราบไ่ว้อีกรูปหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นพระป่าอยู่ในสถานที่อันมีธรรมชาติเป็นส่วนประกอบที่สวยงามมีแมกไม้อันร่มเย็นสบายมีโขดหินแล้วก็ถ้ำอันสวยงามมีหินงอกหินย้อยน่าชมดังป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วก็มีความสงบเรียบร้อยมอีที่สาคัญนะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้สักการะอีกมากมายค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่บีนํามาฝากคุณผู้ฟังประจําคลิปนี้นะคะในช anel พระเจอผีแล้วก็ฝากทิ้งท้ายกันด้วยนิดนึงน ะ, ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะคะใน Facebook พระเจอผีนะคะชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยพูดคุยกันก็ร่วมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช anel พระเจอผีให้กับบีด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่วละคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังสามารถติดตามได้ใหม่ในคลิปต่อไปหรือว่า ใครที่ยังไม่เคยฟังคลิปอื่นๆสามารถกดฟังย้อนหลังจากคลิปด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ